จเจริญทางท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2545วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชา เป็นวันที่เรารำลึกถึงพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมา ถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีการมาร่วมกันทําบุญดังที่เราได้มากระทากันในวันนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเมื่อในวั น, น, นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ได้เวียนมันจบมาอีกครั้งหนึ่งคือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตัสรุและวันเสด็จดับขันปรินิพพานของพระบรมศา ส, สดาพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าพวกเรา <c oughs> จึงน้อมลำลึกถึงพระคุณอันใหญหลวงที่ทรงมี ให้แก่สัตวโลกทั้งปวงเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทาให้กับสรตวโลกนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่ามหาศาลที่ไม่มีใครจะสามารถทาได้ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทานั่นก็คือการปร ะ, ะการประกาศพระศาสนาประกาศพระธรรมคาสอนอันเป็นเหมือนกับแสงสว่าง ที่จะช่วยนำพาสัตว์โลกผู้มืดบอดด้วยกิเลสตัณหาโมหะวิชานั้นได้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพไปสู่ที่ดีที่เจริญที่ปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ต่อปุตุชนทั้งหลายอย่างเราอย่างท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพระธรรมคำสอนนั้นเปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดเวลาเราอยู่ในที่มืดนั้นถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะไม่สามารถเห็นอะไรต่างๆได้ดังนั้นการกระทำของเราการเคลื่อนไหวของเราย่อมเป็นไป ได้ด้วยความยากลาบากและไม่ไม่สามารถที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีการไม่มีการสะดุดหกล้มหรือเดินไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราสามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆเราก็จะสามารถเดิน หลกเลี่สิ่งต่างๆที่เราไม่ควรที่จะไปเตะหรือไปเหยียบไปย่ําได้ฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดในจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นเป็นจิตใจที่มีความมืดบอดเหมือนกับอยู่ในที่มืดเราต้องอาศัยแสงสว่างเพื่อที่เราจะได้เห็น ทางที่เราจะเดินไปว่าเป็นอย่างไรชีวิตของเราก็เช่นนั้นพวกเราเป็นผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่ในการดำเนินดำรงชีวิตของเราเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของพวกเราทุกคนคือให้มีความสุขความเจริญให้ห่างไกลจากความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะภัยอันตรายทั้งหลาย เราก็จะต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งนำพาเราไปแสงสว่างแห่งธรรมนี้เป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้กันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้กันในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนั้นเป็นความรู้ในระดับทางโลกคือเป็นความรู้เพื่อที่จะนำมาประกอบ การทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่ที่ต่ำจะป้องกันไม่ให้เราไปเผชิญกับความทุกข์ความหายานะทั้งหลายไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะส่งเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงเรียนในทางโลกนั้นจะเรียนสูงขนาดไหนก็ตามจบปัญญาตรีปิญญาโทปัญญาเอก ก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายได้ดังในคำพูดที่เราได้ยินเสมอว่าความรู้ท่วมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่ก็คือลักษณะความรู้ในทางโลกเรียนกันจบการปัญญาโตเรโทรเอแต่ก็ไม่วายที่จะประสบกับปัญหาต่างๆ แล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ถูกต้องให้นำตนให้พ้นจากภัยปัญหาเหล่านั้นได้บางคนถึงกับเสียชีวิตถึงแม้ว่าจาะเรียนจบมามีปริญญาระดับปริญญาเอกก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อประสบกับปัญหาของชีวิตแล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไข ก็เลยแก้ไขไปโดยวิธีที่ผิดเหมือนกับคนตาบอดแก้ไขปัญหาเมื่อไม่เห็น mm. ก็แก้ไปแบบสุ่มสีุ่่มห้าทำไปตามความรู้สึกนึกคิดเวลาเกิดมีความทุกข์มากๆไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์ที่อยู่ mm. ภายในใจนั้นได้อย่างไร mm. ก็คิดได้แต่เพียงคำเดียวว่าตายเสียดีกว่า คิดเสียว่าเมื่อตายแล้วความทุกนี้จะหมดไปแต่นั่นก็เป็นความหลงความเข้าใจผิดอีกเพราะว่าความทุกนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเราความทุกนั้นอยู่ในใจของเราเวลาใจของเรามีความทุกนั้นเราต้องแก้ความทุกที่ใจเราไม่ไปแก้ด้วยการทำรายร่างกายของเรา เพราะร่างกายของเรานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> กับปัญหาหรือความทุกข์ทางใจของเราปัญหาความทุกข์ทางใจของเรานั้นเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายต่างหากสิ่งเหล่านี้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องฆ่าเราจะต้องทำลายมันให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความของความทุกข์ของปัญหาทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเวลาเรามีปัญหามากๆรุมเร้าจิตใจเราขอให้เราลำาลึกเสมอว่าปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเราปัญหานั้นอยู่ที่ใจปัญหาก็คือตัวกิเลสตัณหาโมหะวิชา เครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราต้องกาจัดเป็นสิ่งที่เราต้องลดต้องละต้องทำลายต้องฆ่าให้หมดไปไม่ใช่การมาฆ่าร่างกายของเราแล้วจะแก้ปัญหาเพราะเมื่อร่างกายเราถูกทำลายไปแล้วใจของเราที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเครื่องเศร้าหมองก็ยังอยู่ในใจของเราอยู่มันก็ยัง สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่และมันจะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ไม่ดีไปเกิดในที่ต่ำไ้เกิดในอบายเพราะเวลาจิตเกิดความว้าวุ่นขวนมัวนั้นก็เป็นจิตที่จิตที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อจิตไม่ดีก็ต้องไปเกิดในที่ไม่ดีดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้น ต้องแก้ปัญหาด้วยธรรมะแสงสว่างแห่งธรรมเราเป็นชาวพุทธเราจึงควรที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเรามีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องนำพาเราไปแล้วชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงาม ปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราจะเห็นว่าอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็หลีกเสียอะไรเป็นเหตุที่จะสร้างความสุขและความเจริญให้กับเราเราก็ทํามันเสียเมื่อเราทําสิ่งที่เราควรจะกระทําและละในสิ่งที่เราควรละแล้ว ผลที่จะตามมาย่อมเป็นผลที่ดีเพราะเมื่อเราละการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีผลที่จะตามมาก็จะไม่ปรากฏผลไม่ดีที่จะตามมาก็จะไม่ไมปรากฏขึ้นถ้าเราทำแต่สิ่งที่ดีผลที่ดีก็จะตามมานี่เป็นเรื่องของความจริงที่เราเรียกว่าหลักกรรมนี่เป็นสิ่งที่าศาสนา สอนให้พวกเรารู้จักกันก็คือให้รู้จักเหตุและรู้จักผลให้รู้ว่าเหตุและผลนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกัน<อ>เหตุเป็นต้นผลเป็นปลาย<อ>เหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นตามมาเหตุดีผลก็จะดีตามมาเหตุไม่ดีผลก็จะไม่ดีตามมา ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดูแลตัวเหตุนี้ไว้ให้ดีอย่าให้เหตุนั้นเป็นเหตุที่ไม่ดีพยายามทำแต่เหตุหรือสร้างแต่เหตุที่ดีแล้วผลที่ดีที่งามทั้งหลายที่เราปรารถนากันย่อมเป็นของเราอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่จะตามมาแบบที่ไม่มีใครจะมา กีดขวางกีดกั้นได้เพราะเป็นหลักตายตัวเป็นหลักของธรรมชาติเหมือนกับเวลาที่ท่านปลูกข้าวผลที่จะได้รับก็คือรวงข้าวปลูกผลไม้ผลที่จะได้รับก็ต้องเป็นผลไม้ตามมาอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคอยดูแลอยู่เสมอตลอดเวลา ก็คือเหตุเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่ากรรมกรรมก็คือการกระทากระทาทางกายก็เรียกว่ากายกรรมกระทาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมกระทาทางใจเรียกว่ามโมกกรรมเมื่อทำไปแล้วผลก็จะมีตามมาผลเราเรียกว่าวิบาก ผลก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับกรรมที่เรากระทำกันกระทำกรรมดีผลที่ตามมาก็คือความสุขกระทำความชั่วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วผลที่ตามมาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือการกระทำ และผลที่จะตามมาเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่มีใครที่จะมากีดขวางป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นไขกระตามจะเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านหรือจะเป็นถึงพระอรหันตหัน์ก็เช่นกันลองได้ทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรม น, นั้นย่อมส่งผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราทุกคนที่ปรารถนาความสุขกัน เราจึงควรที่จะสร้างการกระทำที่ดีที่งามที่เรียกว่ากุศลกรรมเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความเสื่อมเสียกันเราก็ต้องละเว้นจากการกระทำ อ, อกุศลกรรมคือละเว้นจากการทำบาป ก, การกระทำความชั่วทั้งหลาย <c oughs> เมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่จะ ที่เราปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นการเจริญในทางอายุวั น, นะสุขภะละก็ดีหรือการเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญกรรมสุขก็ดีย่อมเป็นผลที่จะตามมาต่อไปจะช้าหรือจะเร็วท่านั้นเองเพราะผลบางอย่างนั้นใช้เวลานานกว่าจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ <c oughs> ผลบางอย่างก็ใช้เวลาไม่นาน ก็จะปรากฏผลขึ้นมาได้ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เรากระทำกันในภพนี้ชาตินี้นั้นไม่จำเป็นว่าจะแสดงผลให้กับเราในชาตินี้เสมอไปครบทุกอย่างไปทั้งดีและชั่วผลชั่วที่เราทำในชาตินี้อาจจะยังไม่ส่งผลให้ปรากฏขึ้นในชาตินี้ก็ได้เช่นเดียวกับผลดี กับกรรมดีที่เรากระทาผลดีก็จะอาจจะยังไม่ส่งผลให้เกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็ได้แต่อาจจะรอไปถึงพบหน้าชาติหน้าต่อไปถึงจะค่อยปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราจึงไม่ควรท้อแท้ในการกระทํำความดีและละการกระทําความชั่ว <c oughs> เมื่อผลเหล่านั้น <c oughs> ยังไม่ปรากฏขึ้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรายังต้องประสบกับข้อกรรมกับวิบากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายขอให้เราคิดเสียว่าวิบากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ปรากฏกับเราในขณะนี้หรือในพบนี้ในชาตินี้นั้นเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากการกระทาที่เราได้กระทามาในอดีตชาติก่อนๆมันใช้เวลาที่ส่งผล แล้วมันก็ตามมาส่งผลให้กับเราในชาตินี้แต่สิ่งที่เราควรที่จะมีความหนักแน่นมั่นใจเชื่ออย่างอย่างตาเชื่ออย่างสนิทใจได้เลยก็คือเชื่อในหลักกรรมและวิบากกรรมนี้คือเชื่อในการกระทาว่าเมื่อกระทาอันใดไปแล้วไม่ว่าดีหรือเชื่อย่อมมีผลตามมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ผลที่จะตามมานั้น จะเร็วหรือจะช้าเท่านั้นเองแต่จะ ต, ต้องตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นในขณะที่เวลามีมีวิบากรรมที่ไม่ดีปรากฏขึ้นมาโหมกระนําใส่กับตัวเรากับชีวิตของเราขอให้เรายึดมั่นในคุณงามความดีให้ตั้งสติให้มั่นให้มีสติให้มีขันติความอดทนให้มี ธรรมะความอดกลัน้นแล้วก็ฝ่าวิบากกรรมเหล่านั้นไปวิบากกรรมเหล่านั้นจะแสดงผลอย่างไร mm hmm. ก็ให้เขาแสดงไปแต่อย่าให้วิบากกรรมนั้นผลักดันให้เราไปกระทําในสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีไปทําบาปทํากรรมไปสร้างไว้สร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั่นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะ แก้ปัญหาวิธีที่แก้ปัญหาที่ที่ดีที่สุดถ้าเราไม่รู้จักว่าจะแก้อย่างไรหรือเราห้ามหรือหยุดยั้งสิ่งต่างๆที่ผมกระนําใส่ตัวเราไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการตั้งสติให้มั่นควบคุมดูแลกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉย โดยยึดหลักกรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผลเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นในขณะที่ผลวิผลคือวิบากรรมอันเวลวร้ายปรากฏขึ้นกับเรา ก็ขอให้เราจงยิ้มรับมันอย่างกล้าหาญไม่ต้องไปหวัน่นไม่ต้องไหวอะไรทั้งสิ้นเพราะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะดีขนาดไหนหรือเลวร้ายขนาดไหนใจจะอยู่เหนือสิ่งต่างๆได้เสมอเพียงแต่ว่าใจจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นเองถ้าใจสู้แล้ว ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปถ้าใจเป็นเหมือนกับหินต่อให้มีมลสมมีพายุพัดกระหน่ามาขนาดไหนมลสมหรือพายุนั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปขยับให้หินนั้นเคลื่อนไหวไปไหนได้ฉันใดจิตที่มีสติมีขันติมีอุเบกขาแล้วย่อมสามารถ เผชิญกับมรสมชีวิตได้อย่างสบายเพียงแต่ว่าขอให้เรานั้นฝึกทำจิตของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงหนักแน่นอย่าปล่อยให้ใจของเรานั้นเป็นเหมือนกับนุ่นที่จะลอยไปได้อย่างง่ายดายเมื่อมีลมเพียงแผวเบามาสัมผัส ก็จะทำให้นุ่นนั้นลอยไปแล้วนั่นก็คือลักษณะของใจที่ไม่มีขันติใจที่ไม่มีสติใจที่ไม่มีความกล้าหาญที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับตนแต่ถ้าเราได้เริ่มฝึกหัดจิตใจของเราให้เผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบกัน ก็คือความทุกข์ความยากความลำบากแล้วต่อไปใจของเราจะเป็นใจที่มีความแข็งแกร่งจะเป็นใจที่มีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่จะตามมาแต่ถ้าเราไม่เคยสุดใจของเราให้ต่อสู้กับความทุกข์ความยากความลำบากมีแต่จะถอยมีแต่จะหนีโดยถ่ายเดียวเวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ก็จะใช้วิธีตัดสินแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือไปสร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเวลาเราไม่มีเงินทองอย่างนี้แทนที่เราจะใช้ความอดทนอดกลัน้นอยู่ไปตามฐานะของเราเรามีน้อยเราก็ใช้ไปน้อยๆถ้าไม่สามารถกินข้าวได้วันละสามมือ้อก็ลดเหลือสักวันละสองมือ้อหรือเหลือสักมื้อหนึ่งก็ยังอยู่ได้ กินข้าวให้มากหน่อยกินน้ำปลาให้มากหน่อยก็ยังพอทนยังอยู่ได้ดีกว่าที่เราจะไปช่อกโกงไปลักเล็กขโมยน้อยเพื่อที่จะหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเพราะนั่นไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีที่จะแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือต้องมีความอดทนอดกลัน้นและต้องมีความขยันหมั่นเพียร เมื่อเราไม่มีเงินทองเราก็ต้องขยันหาเงินหาทองขยันทำงานทำการไม่เลือกงานไม่เลือกการงานชนิดไหนก็ได้ถ้าเป็นงานที่สุจริตทำไปแล้วไม่เกิดโทษขอให้เราทำไปเถอะถึงแม้จะมีรายได้น้อยก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เลยอย่าเลือกงานเมื่อถึงเวลาที่เราจนตรอกแล้วเราต้องสู้ แต่ขอให้เราสู้ด้วยกุศลกรรมสู้ด้วยความดีกุศลกรรมเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องรักษาเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่ําเช่นความอดทนความอดกลั้นความขยันหมั่นเพียรความยินดีตามอัตภาพตามฐานะของเราที่เราเรียกว่าสันโดษและความมักน้อยคือพยายามเอาเท่าที่จําเป็น กินน้อยๆใช้น้อยๆแล้วชีวิตของเราจะไม่มีความกดดันเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่หลงเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเกียดคร้านแต่เป็นอ ย, อยากจะได้สิ่งต่างๆมากมีกิเลสมีตัณหามากผลก็คือจะถูกสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราไปก่อกรรมทำเวร แล้วก็สร้างปัญหาให้กับเราตามมาต่อไปแล้วจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเมื่อเราไม่มีคุณธรรมสิ่งที่จะคอยต่อสู้กับอกุศลกรรมทั้งหลายแล้วชีวิตของเราก็จะถูกสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นผลักดันเราให้ไปกระทําอกุศลกรรมให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะส่งให้เรา ตกไปสู่ที่ต่ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะไม่มีโอกาสได้โผล่ขึ้นมาอยู่ในที่ดีเลยดังนั้นขอให้เราจงคิดถึงธรรมะอยู่เสมอว่าธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นสราณะของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเข้ามาสู่จิตใจของเราใส่เพิ่มคือเสริมสร้างให้เกิดขึ้นมาในใจของเรา ให้เรามีขันติให้เรามีความอดทนอดกลั้นให้มีสติปัญญาที่จะคิดจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามให้รู้ว่าการกระทำอันไหนเป็นอกุศลกรรมก็จะไม่ทําการกระทำอันไหนที่เป็นกุศลกรรมก็จะกระทำแต่กุศลกรรมเหล่านั้น เมื่อเราสามารถยืนหยัดดำเนินชีวิตของเราไปตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เราจงจำไว้เสมอว่าความสุขความเจริญที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินมีทองมีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาความดีไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงความสุขความเจริญที่แท้จริงก็คืออยู่ในใจของเรานั่นแหละเป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอต่างหากบุคคลนั่นแหละจะเป็นคนที่เจริญ เพราะถ้ามีความพอแล้วมีความเห่นแล้วก็หมายถึงว่าไม่มีความโลภนั่นเองไม่มีความอยากที่อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรทุกขใครเขาเพียงแต่มีอยู่มีกินไปวันวันหนึ่งเลี้ยงอัตตมีปัจจัยสีเลี้ยงอัตภาพชีวิตให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งนั่นก็พอแล้วส่วนความต้องการทางด้านจิตใจนั้นไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรเลย ไม่ต้องการเป็นมหาเศรษฐีไม่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีไม่ต้องการให้ใครมาสรรเสริญเยินยอยกย่องไม่ต้องการที่จะไปเที่ยวเตะดูหนังดูละครไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผพพะทั้งหลายนั่นแหละผู้นั้นแหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญที่แท้จริงเพราะผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถตั้งอยู่ใน ความเป็นปกติได้คือจะไม่ไปกอ่อกรรมทําเวรสร้างทําบาปทํากรรมให้กับผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความปกติเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนกับปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าปัญหาทั้งหลายนั้นมันเกิดมาจากความอยากความต้องการของเราตัาหาถ้าเราไม่ได้อยากไม่ต้องการกับอะไรแล้วปัญหาอันไหนจะมันเข้ามาหาตัวเรา มันไม่มีหรอกทุกวันนี้ปัญหาของพวกเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงที่ความไม่พอนั่นแหละก็คือความอยากต่างๆนาน า, นายังอยากมียังอยาก